ท่านฟังคะท่านกำลังฟังรายการสรนสนาิสนทนาอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอมรอยหนะคะและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติค่ะไปไปมามาเราก็มาถึงเดือนธันวาคมกันจนได้ปีหนึ่งผ่านไปเร็วมากนะคะส่วนในรายการของเราเพิ่งเริ่มต้นวันจันทร์ไม่นานเลยวันนี้ก็วันศุดแล้วในช่วงนี้เรามาพบกับพระภัยบูลอภิปุณโญจากวัดปาร์ดอนไฮโซเพื่อมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวัจนะกันเลยค่ะ มรสการอั้ค่ะเชิญพานสมัยก่อนถ้าท่านศึกษาจากพุ้ทวจนะพระพุทธองค์มีการแสดงให้เราเห็นไหมคะว่าสมัยก่อนเขาแบ่งวันแบ่งเดือนแบ่งปีกั น, แ บ, กนแบบนี้หรือเปล่าอ๋อเอก็จะแบ่งตามจันทรคติดวงจันทร์คือสังเกตดวงจันทร์ว่าดวงจันทร์เต็มดวงครึ่งดวงไม่มีดวงหรือว่าซีกซ้ายซีกขวาก็ประมาณนี้เท่าวที่สังเกตดู ค่ะแล้วมีเป็นเดือนเดือนไหมคะท่านอืมมีนะมีเป็นเดือนเนยก็จะรหัสเดือนเนี่ยก็จะเป็นสิบสองเดือนเหมือนกันนี่แหละเป็นเดือนวิสาค่ะเป็นเดือนมาคะเป็นเดือนอะไรต่างๆจะมีชื่อของเดือนก็ไล่ไปเดือนอย่างที่เดือนของไทยเนี่ยเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอค่ะแต่ชื่อเรียกอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นลําดับสิบสองสิบสองเดือนเหมือนกันค่ะอก็มากลาบเรียนถามในโอกาสที่ ปีหนึ่งมันกําลังจะผ่านไปเร็วมากเดือนธันวาคมเดือนที่สิบสองมาแล้วใช่ปีปีหนึ่งผ่านไปเร็วมากคุณโยมติ๋วเราเข้าใกล้ความตายเข้าไปอีกปีหนึ่งค่ะปี น, นี้ไดท่าน <laughs> หักมุมมากนะประเด็นกํากลังพูดถึงเรากําลังจะฉลองปีใหม่กันแล้ว <laughs> นั่นแหละเพราะว่าก็เลยจ ะ, ะแจ้งให้ทราบด้วยว่าเอ่อมันคือลูกศิษย์ลูกหาที่ไว้ป่าอ น, นัยโศกนะ ก็จะคือเนื่องจากว่าวันที่สี่ธันวาคมเป็นวันเกิดของหลวงพ่อถ้าเอาว่าหลวงพ่อดรสะอาดก็เลยจะมีการจัดงานมูริตาจิตกันกันบ้างเราลูกศิษย์ลูกหาก็คิดกันอยู่แล้วก็เลยจะเชิญชวนถ้าผมว่าท่านผู้ฟังมาได้ก็มาที่วัดป่าดอนหนโศกวันที่สี่ธันวาคมวันมะรืนนี่แล้สิกคาวันาใช่ใช่วันอาทิตย์โทรท่านน่าจะพูดตั้งแต่ตอนต้นสัปดาห์ เผื่อบางคนจะได้มีโอกาสเตรียมตัวแต่อยงไรก็ตามเดี๋ยวนี้ก็ไปไม่ยากนะคะ<ช>มีงานตั้งแต่เช้าเลยหรือเปล่าคะก็ตั้งแต่เช้าช่วงเช้าเท่านั้นแหละก็มีใส่่สบาตรบินทบาตแล้วก็มีงานพิธีสัการะเท่านั้นเองก่อนเที่ยงทุกอย่างก็จบหมดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหวา่างศิษย์กับอาจารย์ใช่ใชก็เป็นการแสดงมูทิตาจิตแสดงความเคารพในวัน น, นั้ น, <ะ>นัดมารวมตัวกันปีหนึ่งจะ้ะถ้าพูดถึงเรื่อง ความสัมพันธ์ระวังสิทธิกับอาจารย์เนี่ยในเรื่องที่ถูกมีความสัมพันธ์นี้ด้วยไหมคะอ๋อมีมมีโดยตรงเลยคือลูกศิษย์เนี่ยจะต้องอเข้าไปคอยรับใช้นะคือคือหน้าที่ของศิษย์ก่อนหนะ้าที่ของศิษย์ต่ออาจารย์เนี่ยจะต้องอเข้าไปคอยรับใช้อันนี้นนะอันที่1นะอันที่2ลุกขึ้นยืนรับนะอันที่3เนี่ยเชื่อฟังอย่างดิ่งนะอันที่4ก็ด้วยการปฏิบัติและอันที่5ด้วยการศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพ คืออย่างลูกศิษย์กับอาจารย์เนี่ยลูกศิษย์เราไม่มีอะไรที่จะออฟเฟอร์ให้ครูบาอาจารย์ได้นอกจากเข้าไปช่วยคอยรับใช้สําหรับพระเนี่ยไม่มีเงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะไปจ่ายค่าจ้างรางวัลอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยคือเข้าไปคอยรับใช้แล้วก็ปฏิบัติท่านอย่างดีสําหรับครูบาอาจารย์ก็หน้าที่ของท่านก็คือว่าสอนศิลปะวิทยาโดยสิ้นเชิงแล้วก็แนะนําอย่างดีให้ศึกษาอย่างดี แนนำอย่างดีนี่คือในเรื่องคําสอนให้ศึกษาอย่างดีนี่คือในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนแล้วก็อันที่สี่นี้ทําให้รู้จักในมิตรสหายอันที่ห้าเนี่ยกุ้มครองให้ในทิศ ท, ทั้งปวงอย่างพระสงค์อย่างเนี้ยพระสงค์เนี่ยมันก็จะมีทิศ ท, ทั้งหกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ก็ช่วยกุ้มครองให้ในทิศ ท, ทั้งหลายด้วย อ, อันนี้ครบห้าแล้วเหรอคะครบห้าแล้วทําให้รู้จักในมิตรสหายนี่เป็นข้อที่สี่ แนะนำอย่างดีในเรื่องศิลปวิทยาแนะนำอย่างดีนี้ข้อที่หนึ่งให้ศึกษาอย่างดีนี้ข้อที่สองอแล้วก็บอกศิลปวิทยาสิ้นเชิงนี้ข้อที่สามค่ะค่ะก็เท่ากับว่าอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของทิ่ถกที่น่าสนใจมากเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับสิทธิ์ิทธิ์กับอาจารย์ใช่ใช นะคะการลุกขึ้นยืนรับก็คือเป็นการแสดงความเคารพนะคะถูกต้องถูกต้องลุกขึ้นยืนรับเนี่ยจะไม่เหมือนกับคอยเข้าไปคอรับใช้ตรงที่ว่าเวลาท่านเดินผ่านมาเราก็เหมือนกับตะเบ ะ, ะถ้าเป็นทหารก็คือผู้ผน้อยอทําความเคารพผู้ใหญ่ตะเบะใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะมันตยาห่ะใช่ไหมอ่ค่ ะ, ะ, ะซึ่งมารยาทสังคมในทุกวันนี้ก็ยังพอมีเห็นอยู่นะคะผู้ใหญ่เดินมาเรากําลังนั่งกันอยู่ส่วนใหญ่ก็จะยืนขึ้นใช่ใช่เว้นแต่บางคนที่ไม่รู้ค่ะสําหรับพระก็จะมี ค่านิยมนี้ก็คือว่าเวลาพระผู้ใหญ่เดินมาเราก็ลุกขึ้นยืนรับจัดอาสนะรับบารับจีวรเตรียมน้ำช ا ยน้ำฉันแค่นี้เป็นมาตรฐานและสสำหรับพระค่ะก็สิ่งที่ได้รับก็คือว่าครูบาอาจารย์น่จะเกิดความเมตตาใช่ะคะคือคนบางคนเนี่ยตั้งใจจะเป็นผู้แข็งกระด้างฉันเห็นเด็กสมัยใหม่ น, นะคะคือเหมือนกับเขาไม่เห็นคุณค่าของการออนน้อมถ่อมตน คือบงคนจะเข้าใจว่าความแข็งกระร่างเนี่ยสแสดงถึงความแข็งแกร่ง <c oughs> ความมีอํานาจอย่างเงี้ยนะถ้าเรายิ่งเกลี้ยวกราดนี่สแสดงว่ายิ่งมีอํานาจเข้หัวโหคิดผิดมหาห่ะเราถูกจิตหลอกไ <c oughs> ม <c oughs> ะคะทีนี้ถ้ามีธรรมสะสอย่างเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทวนให้อีกครั้งก็แล้วกันนะคะความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์ให้คอยรับใช้ลุกขึ้นยืนรับเชื่อฟังท่านอย่างยิ่งคอยปฏิบัติท่านอย่างดีใช่ไหมคะแล้วก็ ปฏิบัติตามศิลปะวิทยาที่ท่านสอนอย่างดีงั้นว่าใช่ศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพค่ะส่วนนะระหว่างอาจารย์กับศิษย์รบกวนท่านก็แล้วกันค่ะอ า, อาจารย์นี่ะจะต้องมีหน้าที่แนะนําอย่างดีนะคือคําสอนถูกต้องอันที่2ให้ศึกษาอย่างดีนะคือเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนอันที่3บอกศิลปะวิทยาโดยสิ้นเชิงคือไม่มีการหมกเม็ดค่ะนะที่สี่นี่คือทำให้รู้จักไหนมิสหาย อันที่ห้านี่คือทำการคุ้มครองให้ในที่ตั้งปวงมีห<ย>้าอย่างนะคะใครที่มีโอกาสมีความสัมพันธ์แบบนี้ก็ลองเอาพุทธวจนะนี้ไปใช้ก็แล้วกันท่านคะในเรื่องทิศหกความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์และอาจารย์ทีนี้ต่อไปท่านคะเหลือสินาทีเนี่ยจะรบกวนท่านได้ช่วยอธิบายถึงบทเพียรชนะอาณาตาณสติ ชนิดที่ดิฉันจะพยายามไม่ถามแล้วกันเพราะเวลาสั้นเดี๋ยวจะไม่เพียงพอทัานฝะัง่งที่รอคอยอยู่ก็จะได้รู้สถทีว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสเป็นระบบในเรื่องนี้ไว้อย่างไรเอาให้เอาเริ่มตั้งแต่ที่ว่าการจเจริญอนาปานสติใช่ไหมจะมีอันนี้สงหญ่มีผลใหญ่มีการอย่างลงสู่มะตะมีความอมะตะเป็นที่หวังได้ค่ะอันนี้เรายกไว้ก่อนเป็นยังไงไอ้ที่พูดมาเนี่ยก็คือเธอนั้นเข้าสู่เสนาสนะอันสงัด คือป่าคนไม้เขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าชาป่าช้าที่แจ้งหรือลาฟางพวกนี้นะเข้าไปได้ทําอะไรบ้านเราก็ได้ห้องว่างๆสักห้องหนึ่งห้องพระก็ได้หรือไม่ก็ไปวัดก็ได้ที่ไหนที่มันพอจะเงียบๆสงัดหน่อยที่มีเสียงคึกโครมน้อยมีเสียงกึกก้องน้อยเป็นที่ทําการรับของปุถุชนทั้งหลายนะทำยังไงเข้าไปแล้วก็นั่งคู่ขาเข้ามาเดือดรอบนะเขามานั่งคู่ขาเข้ามาเดือดรอบเนี่ยก็คือลักษณะของท่านนั่งขัดสมาธิหรือว่าท่านนั่งที่เราจะไม่ล้มอ่ะ นั่งแล้วมันจะตั้งอยู่ได้นะการนั่งคู่ขาเข้ามาก็จะเป็นเป็นฟอร์มของสามเหลี่ยมนะมันก็จะทรงตัวอยู่ได้ก็ดีมันกันถ้าจะนั่งพัพเบเพียบหรืออะไรนั่งเก้าอี้ก็ได้ทั้งนั้นแล้วก็ตั้งไกตรงตั้งไกตรงเนี่ยคอตรงหลังตรงเนี่ยจะทําให้เป็นผลดีต่อการนั่งสมาธิในระยะยาวนะหลังเราจะไม่ปวดในระยะยาวแล้วก็นั่งได้นานกว่าคอตรงหลังตรงนะถ้าถอดแว่นถ้าใส่แว่นอยู่ถอดแว่นก็ได้เพราะเราจะไม่ได้ใช้สายตา ตรงนี้ถ้าหลับตาได้ก็หลับแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้หลับตานะถ้าไม่ต้องหลับก็ได้ไม่เป็นไรพอเรานั่งตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าคําว่าสติเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าตรงนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงคําว่าปริมุขขังนะคือทางเข้าออกเ <_ v ary> ข้าออกของอะไรลมหายใจนั่นเอง <_ v ary> น, นลมหายใจที่มันเคลื่อนที่อยู่เนี่ยมันเป็นอากาศใช่ไหมเคลื่อนที่อยู่ก็เป็นลม <_ v ary> เคลื่อนที่เข้าไปในจมูกก็เป็นลมหายใจเข้าเ <_ v ary> คลื่อนที่ออกมาจากจมูกก็เป็นลมหายใจออก ลมหายใจที่กำลังเข้าออกเนี่ยคือลมหายใจละ่ะมันจะมีการกระทบกับส่วนที่เป็นปริมุกขังตรงนี้นะคือทางเข้าออกอย่างตึกรานบ้านช่องเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นมุกของอาคารใช่ไที่รถมันจะเข้าไปจอดได้แล้วก็ฝนไม่ตกฝนตกเราก็จะไม่เปียกตรงนี้เป็นช่วงของทางเข้าออกตรงนี้เช่นเดียวกันกันกบตรงในโพรงจมูกผุ้รู้จักบอกว่าหายใจเข้าก็มีสติหายใจออกก็มีสติ แ, แสดงว่าไอ้ลมหายใจที่มันเข้าออกเนี่ยมันจะต้องมีการมาสัมผัสกับโพรงจมูกตรงนี้ทางเข้าออกของลมหายใจแล้วพระองค์ก็ยังยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยคุณยงเถยวเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าช่างกลึง ใ, ในเวลาช่างกลึงเขากลึงชิ้นงานเนี่ยเขาจะต้องเอาประกอบชิ้นงานเข้ากับเบ้าใช่ไหมแล้วก็หมุนนะด้วยเครื่องกลึงของเขาเนี่ยแล้วก็จะมีใบมีดชิ้นงานนะมาจาะ ก, กันเพื่อตัดชิ้นงานให้เป็นรูปตามที่ตนต้องการ เวลาเขาชักเชือกกลึงยาเขาก็ต้องรู้ชักเชือกกลึงสั้นเขาก็ต้องรู้แต่ว่าจิตของเขาเนี่ยตาของเขาเนี่ยจะต้องมาจ่ออยู่ระหว่างใบมีดกับชิ้นงานเช่นเดียวกันเวลาเราสังเกตลมหายใจเนี่ยเรามาสังเกตที่จุดสัมผัสของลมกับโพรงจมูกกับทางเข้าออกของลมหายใจเราไม่ได้ตามลมนะเหมือนช่างกลึงเขาไม่ได้ตามมือเขาเข้าออกตาเขาไม่ได้ไปมองตรงนั้นแต่ตาเขามาอยู่ที่ระหว่างสัมผัสของใบมีดกับตัวชิ้นงาน จิตของเราเวล า, เรา เ, าเราเข้าไปรับรู้ตรงนี้ก็เหมือนกันต้องไปรับรู้บริเวณที่สัมผัสนะของลมหายใจกับทางเข้าออกของลมหายใจตรงนี้เท่านั้นเองอย่าตามลมเข้าอย่าตามลมออกให้รู้อยู่ที่จุดเดียวเอาการรับรู้ของเราไว้ที่จุดนี้เท่านั้นถ้ายังไม่รู้เราก็ลองหายใจเข้าออกแรงๆสัก2อสาครั้งนะหรือว่าจะเอาจุดที่รับรู้ถึงกลิ่นก็ได้นะจะเป็นจุดที่สามารถ รับรู้ถึงสัมผัสตรงนี้ได้เวลาที่ลมมันมาสัมผัสนในทางเข้าออกโรงจมูกเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่าสัมผัสหรือภัสสะภัสสะตรงนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามีภัสสะเราต้องเอาจิตของเราเข้าไปรับรู้จิตตรงนี้ก็คือวิญญาณเอาจิตวิญญาณของเราไปรับรู้เรียกว่าสังเกตลมหายใจก็ได้เรียกว่ากําหนดลมหายใจก็ได้เรียกว่ารู้ลมหายใจก็ได้เรียกว่ามีสติในลมหายใจก็ได้เรียกว่าระลึกถึงลมหายใจก็ได้ เวลาเราจะระลึกถึงลมหายใจเนี่ยเพราะลมหายใจมันมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะไหลเข้าไหลออกอยู่เนี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาระลึกถึงลมหายใจเนี่ยเอามาระลึกถึงจุดนี้จุดที่มารับรู้ถึงสัมผัส ข, ของลมที่ผ่านเข้าออกอยู่ในทางเข้าออกของลมหายใจคือโพ ร, โรงจมูกแค่นี้เองง่ายๆแล้วแล้วเรื่องอื่นๆนะเช่นว่าเวลาเรามีความคิดฟุง้งซ่านเราอย่างไงเดี๋ยวคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ไม่เป็นไร นะั้นเราปล่อยวางสิ่งนั้นแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจน้นวะินาทีนั้นเนี่ยเราเรียกว่ามีการฝึกจิตละให้มารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายตั้งปวงนะ่ะมาแล้วนะหมายความว่าไงห ม, มายความว่าเราไปรู้เรื่องอื่นใช่ไหมรเราฝึกให้เขาบังคับให้เขานะคือจะใช้คาว่าบังคับก็ไม่ถูกหรอกฝึกให้เขานะฝึกฝนให้เขาเนี่ยมารู้พร้อมเฉพาะซึ่งลมหายใจตรงนี้ลมหายใจนี่แหละคือกาย พอเราฝึกอย่างนี้ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยเราจะทำให้กายของเราระ ง, งับได้นะคือกายของเราจะค่อยๆนิ่งลงหรือว่าลมหายใจของเราจะค่อยๆเบาลงด้วยเพราะว่าความที่มันไม่หนีไปไหนด้วยความที่จิตของเราไม่หนีไปไหนค่ะอ่ลักษณะนี้แล้วเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนี่คือเบื้องต้นแล้ว ก, ก็ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอเหมือนอย่างเทคนิคการวิ่งมาราธอนที่อะไรมาเคยเล่าให้คุณยมติวฟังนะ ว่าเทคนิคหนึ่งคือเอาขาซ้ายนำขวาขวาแล้วก็เอาขาขวานำขาซ้ายไปเรื่อยๆร่ะเดี๋ยวจนจะตั้งถึงเส้นชัยไม่มีเทคนิคอื่นน อ, อกจากนี้ถ้าเราเหนื่อยเราก็ทำอย่างนี้เหมือนกันค่ะก็ะเท่ากับว่าท่านกุณลยจะบอกว่าเรื่องของอาณาปานสตินั้นเนี่ยเป็นเรื่องการฝึกปฏิบัติที่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือใช่แล้วก็เป็นการนาเอาจิต ใช่ไหมคะใช้ใชจิตเนี่ยเป็นผู้ไปรู้ถูกต้องไปรู้ลมหายใจแต่ไม่ใช่เป็นผู้ไปติดตามลมหายใจไม่ได้ตามอ่าค่ะวิธีการที่จะให้เข้าใจได้ง่ายๆท่านใช้คำที่พระพุทธองค์ตรัสว่าปะริมุขขังคือตำแหน่งที่ลมหายใจตกกระทบขณะที่หายใจเข้าอ่าออกด้วยหรือเปล่าคะท่งนอาจออกด้วย ที่เดียวกันกเข้ า, าออกก็จะเป็นที่เดียวกันคือตรงทางเข้าออกเนี่ยพรรูปฌาไม่ได้กำหนดว่ากี่ตารางมิลลิเมตรหรือกี่ตารางเซนติเมตรในทางเข้าออกตรงนี้นะเรารู้ที่ไหนก็เอาที่นั่นแหละคือป ร, ริมุกขังนี่มีตําแหน่งเดียวออาจจะกว้างหรือแคบไม่เท่ากันแล้วแต่คนนะค่ะแต่ว่าของแต่ละบุคคล น, นั้นมีตําแหน่งเดียวคือรู้ตรงไหนไม่ต้องไม่ต้องขยับถูกต้องถูกไหมคะเพราะว่าถ้าขยับแล้วมันทําให้เกิดอะไรกันะคะ มันมันก็ไม่ใช่ทางเข้าออกมันก็ไปเรื่อยหมดนะเพราะว่าบางทีเนี่ยความที่ต้องมาตีความความเข้าใจกันเองออืบางคนก็อาจจะมีการขยับบ้างแต่ว่ากระป้วนเปี้นยนอยู่แถวนั้นอ่าถ้าขยับบ้างแล้วป้วนเปี้นยนอยู่ในบริเวณโพรงจมูกนะอันนี้ได้ไม่มีปัญหาคุณต้องหาจุดที่คุณจะไปรับรู้ได้ก็แล้วกันแต่ไม่ใช่ว่าตามเข้าไปจนถึงอกถึงคอถึงท้องถึงกระบังลมไม่ใช่อย่างนั้นหรือตามออกมาจนถึงบ้านคนอื่นไม่ใช่อย่างนั้น ทีนี้ท่านก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะสู่อาการที่สอดคล้องกับบทพยัญชนะของพระพุทธองค์ที่บอกว่าเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงไปเองถูกไหมคะใช่จะเป็นกระบวนการอัตโนมัติไปของเขานะคะส่วนรายละเอียดมากกว่านี้ลองปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วมาตรวจสอบกับการที่อ่าน พุทโธชนะได้ไหมคะว่ามันปรากฏอย่างที่พระผุทธองตรัสเลยไหมว่าศึกษาทํากายสังขารให้รำงับอยู่รู้พร้อมเฉพาะสิ้นปีติสิ้นสุขซึ่งจิตตะสังขารอะไรเนี่ยนะคะใช่่พวกนี้เราพิสูจน์ให้เห็นได้ด้วยตนเองเลยเรารู้แค่ลมหายใจพอกระบวนการอื่นๆพวกนี้เราค่อยไปเสาะหาค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะอก็เหมือนกับว่าที่ท่านไปบูรพูดถึงว่าถ้าจะวิ่งมาราธอนถ้าจับเทคนิคของเขาได้ก็จะง่ายใช่ นี่ก็เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นการยึดตามพุทธวัจนะแน่นอนนะคะไม่ได้นอกแนวแต่อย่างใดเพราะคําสอนของพระาศาสดานั้นจําเป็นอยู่แล้วจําเป็นแค่ไหนอ่ะโอ้จาเป็นคือทั้งหมดของคำสอนพุทธิจัคือพุทธศาสนาคือยมติ๋วค่ ะ, ะนะคะก็สรุปแล้วคือจําเป็นมากห<ช>นังสือมีแจกนะคะสามเล่นต่อต่อวันศูนย์สองสหกเ้าูหเอาไปใคร่ครวนกันส่วนรายการของเรา ตอคำถามต้องการให้ตรงใจท่านก็ส่งคำถามมาที่เบอร์เดียวกันหรือไปที่เพียวธรรม a .com/106 ท่านเพบูรณ์วันนี้เป็นวันศุกร์นะคะท่านก็จะลาไปพร้อมๆกับพวกเราสำหรับที่ FM 106แต่เสาร์อาทิตย์ท่านยังอยู่นะคะไปพบ ก, กับท่านทั้งหลายทางวิทยุประเทศไทยส่วนวันที่4ท่านใดเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดจะมีการแสดงมุทิตาจิตที่วัดป่าดอนไฮโซอุดรธานี มีโอกาสก็กไปกันวันนี้นามาสการขอบพระคุณท่านพบูล น, นะคะจันทรบานค่ะและสำหรับท่านฟังที่เคารพทุกท่านก็ติดตามรับฟังดิจันัลสมม น, นาพงและรายการทั้งหมดได้ในรายการ ส, ามสมัมมนสนทนากันในวันจันทร์ที่นี่เช่นเคย106ค่ะพุทธสวัสดีค่ะ